ในงานวันที่25มีนาคม2504นวัดอรุณรังสีจังหวัดน้องคาน เงื่อนจาท่านทั้งหลายได้บูชาพยายามก่อสร้างสร้นสร้า ง, ง, งวัดสถานที่นี้ให้ปรากฏเป็นวัดขึ้นมาเนื่องจากสัพท์พาของท่านทั้งหลายได้จาระคระเป็นกําลังความสามารถทั้งตนเท่าที่จะตนไปได้ใ น, นสถานที่นี้เลยปรากฏว่าเป็นอุท น, นสถานเป็นสถานที่เคารพ บ, บูชา หรือเป็นสถานที่อยู่อาศัยสังท่านผู้มีศีลผู้พระเจ้าผงศุได้มาจำปัญญาและอัดนวความฉลาดวิริยะความภาความเทียนของท่ทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้มีสารทาคือคนที่มีศรัทธาเชื่อพระในพระพุทธศาสนา อยากจะรดับเราฟังซึ่งโอวาทำสอนทั้งสมเด็จพระภูมิทระภาคเจ้ า, จาดังนั้นในวันอันดับตอนนี้ไปขอท่านผู้ฟังทั้งหลายคุณตั้งจิตตั้งใจทั้งตนไว้ด้ยวยดีเพื่อจะเพื่อดับวัตรซึ่พระสัทธธรรมาเพื่อเจริญน่ะนันเป็นพว่าทำสอนทั้ ง, งสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าการตั้งเทศนั้นผู้ปู จึงกำหนดความรู้ของตนไว้ที่ใจโดยไม่ต้องทรงจะแสจิตหรือมีความหมายอย่างใดอย่างหนึง่งในท่านพูดเพืให้ทางเรไปจากใจของตนเองให้สร้างความรู้สึกที่ใจดวงนั้นสำหรับยึดด้วยติตไว้ที่ใจของตนเองอันในสงฆ์แห่งการต้องทำผ้าประการก็จะปรากฏขึ้นในสถานที่ ใจของเาในขณะที่ฟังเทศ่อการสงฆ์ฆตประการ น, นั้นคืออะไรบ้างมีผู้ฟังคำก็ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสองสิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจพัดพอจะเข้าใจพัดสามจะดันเอาความสงสัยทั้งตนซึ่งมีอยู่ในใจตัวได้สีจะทําความเห็นให้ถูกต้องได้ห้าจุดทุกฟังย่อมได้รับความสันไฉ ในอนุสงฆ์ประการนี้สรุปความลงแล้วลงมาอยู่ในข้อทีว่าิผู้ฟังย่อมผ่องใสเมื่อจิตใจทั้งเราได้รับความผ่องใสนั้นเนื่องจากการฟังด้วยมีสติสังเกตุอยู่ที่ใจเขาเราเมื่อใจได้รับความผ่องใสความสงบความสบายความปลอดโปร่งในจิตใจทั้งใจ ก็อสภากดขึ้นในขณะตู้ทางๆนางั้งสำเด็จพระกุ่มข้อภาคเจ้ายังทงพระชนิดได้ทคดเดลทำแก่บรรดาสาวบทข้างหลังพระผดเจไดรับอารส่งห้าประการนี้ก็จับตักใจอย่างน้อยที่สุดก็เป็นนาตาถึงพระไตรขึนนาคุณเจะตั้งถึงบรรลุโลดาตุิธานาาอรหันตน สองสงสพระพุทธเจ้าอยู่ในสถานที่สงบเมื่อความไม่สงบแน่วความนจะมีอยู่ในโลกเป็มทั่ทั้งแผ่นดินนี้โลกภพทั้งสองตามใจไม่มีความสงบไม่สามารถที่จะกระสุกหัดกระสุกทำซึ่งเป็นของมีอยู่ทั่วไปนับตลอดกาลโลกแต่เมืองใจทั้งเราได้รับมีความสงบนับภายในจิตใจนานเป็นเหตุสะกามใจทั้งเราให้มีความยืดหยุ่นและมีความชิด กลอดรงรือองค์สงนัภาในจิตใจแล้วก็เกิดปัญญาความก็สว่างสวัยขึ้นที่ใจทั้งตนมองสัมผัสั้งธรรมมองเห็นจากภาะขึ้นเป็นของเป็นไปตามสภาพของเขาโดยทางปัญญาทั้งตนเองอย่างแน่นครับมีนยับว่าเห็นสภาพของธรรมขึ้นเป็นของมีอยู่ในโลกด้วยปัญญาขังตนทำอยู่ที่ไหนเล่าข้างพุทธการปรากฏว่าได้เห็นธรรมไม่รู้ธรรมก็สมัยธรรมไปอยู่ที่ไหน เนื a a k k Aa, <hart> ้อท ta ี่เหละอาสวะก็ดีบุญกุศลก็ดีบาปกรรมทั้งหลายก็ดีครังพระพุทธเจ้าลึกลงพระชนู่นั้นอยู่ที่ไหนมาสมัยนี้สภาพทั้งหลายคือบาปหรือบุญก็ดีไปอยู่ประถานที่ใดเราจึงทราบใจใจว่าองค์สัรเวชภูมิพระภาคเจ้าท่านแนะนําสั่งสอนบรรดาศักดิ์ทั้งหลายนั้นไม่ได้สอนในสิ่งที่ไม่มีอยู่ในโลก และไม่เป็นอยู่ในตัวสัตว์เราทั้งขานทั้งหลา ย, ยทู่ตัวของเรายัางแสดงสิ่งที่มีอยู่ณนภะายในตัวของเราด้วยกันทั้งนั้นคําที่ว่าทุกขังท่านทั้งหลายต้องทราบว่ า, าวทั้งขาระทำซึ่งเป็นของมีอยู่ได้แต่จะกุณาการของเหล่านี้ทุกท่านเป็นทุกขังรู้ความไม่สะดวกกายไม่สบายกายไม่สบายใจมีจัตวาเป็นทุกหันจกกังคือสภาพที่แปรปรวนอยู่เสมอ แต่ควรทั้งทางสายสู ง, งสายตาของเราเถึงได้ผ่านไปได้ยิ่งได้าผ่านไปมีเพียงว่าอันนี้จะทำประแดงอยู่ทั้งผ่านมาายนอ ก, ก่ายในสิ่งที่มาผ่านไปแล้วนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงความรู้ที่มาขับที่ตาดขึ้นขีดใจรับรู้ในอารมณ์ที่มาผ่านดังนั้นก็ดับไปขึ้นเดียวกันมีทา่านจะจะอัอ น, นิ้จะทำอนาตาทำหมายถึงอะไรเล่าหมายถึงต่อภาพพืชสิ่งใดซึ่งเป็นของมีอยู่เป็นอยู่อย่างไร ถ้าต้องมีอยู่เป็นอยู่เช่นนั้นใครจะมาหาถามหรือเอาไปไว้ที่ไหนไม่ได้หรือจะอาติดตามตนทั้งตนไปสถานที่ใดใดก็ไม่ได้เช่นอย่างวัตถุทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่ในโลกนี้ใครไม่ได้มาปรุงมากปลงให้เกิดมีขึ้นคือดินน้ําลมไฟเป็นของมีอยู่แล้วในแั่นดินนี้ตั้งแต่ดั้งเดินมาใครจะมาเกิดก็ต้องอาศัยดินน้ำลมไฟอันนี้ มาเป็นเครื่องกระปบเข้ากระําทั้งตนคือทําดูําตั่วแล้วถืบขึ้นมาเป็นรูกเป็นกาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายและกรแปายเสื่อหลักทางเรื่นงใจตามสภาพของเขาอย่างนั่งเดิมอือที่นี่ภาพเป็นอนาตตาสภาพทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของเป็นมีอยู่เฉพาะในครั้งพระพุทธการหรือครั้งสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เท่านั้นยังเป็นของมีพระดกาะแต่ ไม่ว่าแั่การสมัยโน้นหรือสมัยนี้ยังไปสมัยใดๆก็ตามต้องทาบสิ่งที่ปรากฏอีู่นี้ตามชะตาว่าของเขางานจะเป็นไปอยู่อย่างนี้ตลอดอนันตการมีท่านลเรียกว่าอนัตตาธรรมเป็นของผู้ยีประจําหรือเป็นอยู่ตามสะตาของเขาใครจะไปสัมคันธ์มั่นหมายว่านั้นเป็นเรานี้เป็นข้างเราก็ตามเขาหามีความรู้สึกว่าเราเป็นดังนั้นเขาเป็นดังนี้ตามความถึงของเราไม่มีท่านลเรียกว่าอนัตตา อนุจังก็ดีทุกครังก็ดีอนุชาก็ดีและเราท่านที่ครังทั้งหลายเป็ภาพว่าเป็นของที่ดีในสัตว์ในสังขารในตัวของเหล่านี้ทั้งนั้นไม่ได้ขาดตกบกซ่องเน้แต่สิงเดียวเมื่อเราได้คิดนานเห็นสภาพสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความจริงทังเขาซึ่งปรากฏขึ้นตั้งอยู Fi, ่ระดับไปเช่นนี้ด้วยสัญญาของเราแล้วเราจะมาเห็นความจริงตามแนวทางที่พระองค์เจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างไรเลา ทำที่ ว, วา่าตัวขาตัดทำทำที่พระองค์เจ้ากล่าวไว้มีแล้วนั้นไม่ได้หมายว่าพระองค์เจ้ากล่าวไว้ดีในครั้งนั้นเท่านั้นมาสมัยนี้กล่าวตัวหาเป็นคนนั้นไม่จึงเรียกว่าตาัวขาตัรทำตราตามพระภาพที่มีอยู่อย่างใดเป็นอยู่อย่างใดเป็นใครอย่างใดที่คเคยมีอยู่เป็นอยู่เป็นไคอยู่คนนั้ น, นตลอดธรรมประานที่เรียกว่าตาัวขาตธรรม บรรดาเราท่านคณะตถาทั้งหลายที่ได้ก่อร่างสร้างวัดสร้างวาขึ้นจะเป็นการให้ทานมากน้อยเท่าไหรก็าตามมี่จะเรียนให้เห็นว่าท่านทั้งหลายมีความไว้วางใจในวัตถะันนี้หรือในความมุนเดียนเปลี่ยนแปลงของสัตวคนและบุคคลผู้อื่นกรอดอบวัยวะทั้งสามน่านตายทั้งเหล่าเนื่อจะอาศัยอยู่ทุกวันคนคืนเลือดายอยู่ทุกวันก็ตามสัตว์อันนี้ก็คนที่ไว้ใจไว้ไม่ได้เหมือนกัน เมื่อเป็นเช่นั้นจึงเป็นเหตุให้การบรรดาทั้นคณะตถาทั้งหลายในกุศลวิญญูงทั้งหาหาคนงานทำดีเพื่อเพิยนะกณฑ์สิ่งของคนในโลกน่ะเพราะเหตุใดตานี้เป็นของแตกของดับของเสียหายไปก็ตามสแใจใจนี้ไม่มีความแตกไม่มีความดับความเสียหายทำลายเข้าใจไม่มีศาสตร์ผ้าสำหรับเขาสบเขาเหมือนหล่างเจริญนาคายของเราและศาสทั้งหลายตายนี้เป็นของไม่ตายบุญกุตลทั้งอาศัยใจตรงนี้ ยเป็นเหตุที่จะต่อเนื่องถึงทุกหน้าชาติหน้าอยู่เสมอคนเราที่มีความกละดานสามารถสังเวาหนึ่งส่วนนั้นยังติดใจทั้งทด้วยถึงวันนั้นหากเรายังไม่ได้พ้นจากทุกภัยในวัฏสงสารยังจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในโลกนี้เล่าพอยานก็ไม่มที่อยู่ที่อาศัยส่วนนาคาที่สดสวยเมื่อสงามที่ถูกต้องเนื้อต้องตาหรือต้องใจทั้งเรกและบุกคนอื่น เพียงใดที่ทรากิดขึ้นเป็นทั้งเราสิ่งนั้นย่อมเป็นของดีทั้งนั้นเพราะเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งผู้สนของเราที่ได้ขอร่างสร้างเอาไว้เอื่อนเรามีลูกก็ต้องเป็นลูกคนดีนีจะเป็นลูกหญิงก็ตามเป็นลูกชายก็ตามถ้าเป็นสามีก็ต้องเป็นสามีที่ดีถ้าเป็นภรรยาก็ต้องเป็นภรรยาที่ดีได้มีคุบัตสิ่งของอันทใดก็ตามเป็นของดีทั้งนั้นเนื้อจะกระทาสมาภพกับหมู่กับเพื่อนใครใครก็ละก็ตามมีตั้งแต่ทั้งดี ของดีไม่เกิดขึ้นมาจากไหนไม่นจะเกิดขึ้นมาจากของขั้วั้งดีต้องเกิดขึ้นมาจากทั้งดีของขัวต้องเกิดขึ้นจากการจากของขั้วเมื่อทําขั้วนล้วผลขัวก็ปรากฏขึ้นมาเราจะประทับนิโทษผลตั้วนี้ว่าไม่น่าต้องการก็ไม่ได้เพราะเราเป็นคนสร้างขึ้นทําขึ้นผลนั้นสร้างปรากฏขึ้นที่ตัวของเราเองเราเป็นผู้ที่จะต้องเวสวยผลนั้ น, น ดังนั้นคุณมีพระคุณงานทำดีทั้งหลายเนื้อสัพน์นาตาทั้งเราที่แตกตื่นขัดทางไปแล้วคู่กับสู right. uh ่กันอีกเพื่พลาดต่อตามแต่ใจทั้งเราซึ่งเป็นที่สังสมหรือเกิดได้ซึ่งดวงเนืบาดทั้งหลายนั้นเป็นของแม่นใจดวงดาบจึงสามารถติดตามไปทั้งเราให้ไปสู่สถานที่นั้นนั้นแล้วจะทำทั้งเราที่ทำมากๆน้อยดีหรือชั่วอย่างใดนี่เป็นของสํางพันดูขี้ใจ เพรเรืดนั้นบรรณาท่านพุทธศางนี้กชนทั้งหลายได้่อากันก่อสร้างบุญทุศลก็พรอบม่ไว้ใจตนทั้งตนองว่าจะแตกดับจหลายทำลายเมื่อไรหรือตายแล้วจะประเสิที่ไหนคือในวิเป็นเริงทั้งกวานะครับคุณหากุศลเป็นที่ซึ่งทั้งตนในเมื่อเราอยู่ในโลกนี้เราก็มีความผาสุกเย็นใจพระใจทั้งเราเ่อก่อสร้างสร้างาื่นามดีซึ่งเงขงเย็นไรเป็นเือานน้อมใจทั้งเรา เมื่ราได้ละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมจะเกิดในสถานที่ดีๆทัศนิที่สดสวยงดงามหรือเนี่ยทัศน์ที่งามเราจะได้ดูด่างกลางตัวมาเพื่อสวยงดงามหากว่าเราได้สมบัติอันใดสมบัติอันนั้นก็จะเป็นที่พึงพอใจสำหรับเราเราได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับอำนาจทางธรรมที่เราทําไว้มีบุญกุศลจริงไม่ใช่เป็นของชิ้นเฉียดแฉงหรือจะหุเชียร์ไปจากเราที่ไหนติดตามตัวของเราไปก็ดีแต่กับเราตามตัวของเราเท่นั้น หากราจะได้มาเกิดในโลกนี้อยู่เราก็เป็นที่พึงพอใจในสถานที่ที่เราจะต้องเกิดเพราะอำนาจสังบุญที่เราได้สร้างไว้แล้วจะต้องสนับสนุนเราให้เกิดในสถานที่ดีๆเสมอมีหละมุนจึงเจือเจอลอยเลี้ยงเราใัภพนั้นนั้นเราท่านทั้งหลายที่มาได้เกิดในมนุษย์โลกนี้นั้น เป็นของง่ายสําหรับเราทั้งหลายแต่เป็นของยากสำหรับตัดทั้งหลายทีื่อจะมีเท่มีโอกาสมาเกิดมีวาสานาเป็นมนุษย์เหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายจึงมีข้อแสดงให้เห็นแล้วว่าลำอํนานาจวาสนามากรว่าตัดทั้งหลายเท่าไรก็เพราะอํนานาจทางบุญกรรม ท, รทั้งเราที่ได้สร้างไว้แล้วในพระพรดังนั้นจึงเป็นการกู้เราจะต้องเพิ่มทุนอุหนุนงามทำดีของเราให้มากเพื่อทั้งบุญทั้งชัยทั้งนาตัวอย่างโองค์สำเด็จพระทูลก็ภาพเจ้าของเรา เปิดม erm ีต <t ru bar jugar> <t ru h> ักผีพยานของเราในวันนี้ก็จะมีการเทศื่มหาชาตุทำน้ำมหาธาตุนั้นหมายถึงธาตุหลายเล่าแย่ได้หลายในมหาชาตุนั้นแปลว่าธาตที่ใหญ่โตและโหดฐานที่สุดในเรียกว่าเป็นธาตุสุดท้ายของพระองค์เจ้าก่อปลูกหรือกระลาพระองค์เจ้าเสดมาหลายธาตหลายภกหลายตับหลายตํานัดไม่้วนเป็นเป็นใหญ่เป็นโตในเรื่องภาตุเรื่องภพจะเรียกธรรมหาชาตุก็มีที่พระองค์เจ้าเสดหลายครั้งหลายหนก็หลายหมนก็ปูกขึ้นเดียวกัน แต่ลายเอกสารที่นี้หมายด้วยสองในอย่างทื่ว่ามันนี่องสําเร็จพระภูมิพระภาคเจ้าในเมื่อครั้งท่านเป็นเทวดาสันดอนท่านทําอย่างไรบ้างในภาถาของเทวดาั้นดอนนั้นนี่มากมีมากมายแต่กองแต่จะยกมาเป็นเจ้าเทวดาเป็นขจิตเครื่องเคือนไปของท่านผู่สั่งทั้งหลายโดยยมยออว่าอานางเทวดาเทวดาสันดอนเท่านั้นไม่ให้ท่านทานบ้าง สีลาวัคติทระเวสสันดรเจ้าได้ทั้งมีตามนักษาศีนด้วยภาวนาพาวเวตตว่าพระเวสสันดรเจ้าได้ทรงบาเพ็ญภาวนามาจึงสามารถเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้มีหลักเข่วยสันดรนขั้นสอนไว้เพื่อใครเราทั้งหลายจ้งทราบว่าเราดำเนินตามอ่องลอยของพระเวสสันดรแค่เป็นทุติยติของพระพุทธเจ้า พระเวสสันดอนนั้นถ้าพูดถึงเรื่องการบ่งคนยึดทำทุกทำทรมานของพระองค์เจ้าในชาวเป็นพระเวสสันดรนั้นเราจะเห็นได้ว่าเป็นความยากลาบากเป็นที่สุดและไม่มีใครสามารถที่จะทําได้เหมือนอย่างพระองค์เจ้าชาวที่เป็นพระเวทสันดนเวลาให้ทานชาบ้านทําเมืองเขาไม่ยินดีให้ทานช้างซึ่งเป็นข้างเป็นคนประจําบ้านประจําเมืองประจำแผ่นดินของพระองค์เขาแค่ นีต่อว่าต่อพานตัต่อบอยองทุกสิ่งทุกประการจนเขาไม่ยินดีขับไล่พระ อ, องค์เจ้าอกอกเและจากเมืองเห็นว่าพระ อ, องค์เจ้าเป็นคนกาลเป็นเยี่ยง ว, ว่าเป็นคนฝังด้านฝังนักไม่ควงตัวตนตุ้มบุญคนจากแผ่นดิ น, นันี้แม้เขาจะขับไล่ไปตรงพระ อ, องค์เจ้าไปก็ยอมละยอมไป เข า, า, า, าให้ออในในใหเขปา่าเข้าไปตากอยู่ในป่าในโลกแต่การให้ทานตู้สันดอนไม่เคยยามใครทั้งนั้นแม้จะเข้าไปป่าไม่มีอันใดวัตถุพยาพอันใดมีเพียงกัรหาการีสองพระองค์ท่า น, นั้นที่เป็นพ ร, ระโอรสพระธิดาของพระองค์เพายอมพระหน้าจ้าพระนักทานแจกพรามไปและจ ะ, ะเลี่ยงปฏีสัตย์ไว้ตามพระหน้าพรามที่จะปฏิบัติต่อเด็กนั้นเพราอยังกล้าเขายีนยอมทำบังหลายถ้าเห็นว่าให้ทานไปแล้วผีเองที่จะเป็นบอดา กานที่จะเป็นบอกเกิดทางอุนหภามสุนทรจะยกพระองค้าให้ข้ามพ้นจากพระตะสงสารถึงมีทานได้ก็เพราะยอดสั่งทานี้พระอองค์เจ้าก็ะดชพรลักให้ทานไปโดยจนถ้าหายใจขององค์เจ้านี่นอกจากนั้นแล้วก็ยังให้ทานนาวัดทีอีกทีนึง อ้เมื่อทานนางมาัตตีแล้วหมดเนื้อหมดตัวแล้วพระองค์ก็ยังมีพลีกรรมในพระวาจาท่านมากไม่เพียงแต่จะทานลูกพันธุพเทนี้ห า, าว่าใครมีความต้องการเอาเลือดเอาเนื้อเอาลูกตาของเราหรือเอาเนื้อในพระอกของเราเรายังจะยอมสละละช่วยให้คนหมดไม่มีอันใดเหนือมีความมุ่งต่อพระโธธิญานท่า น, น มีทานที่พระองค์เจ้าหรือกุมงานทำดีที่พระองค์เจ้าได้ทํามามีการให้ทานได้ตามนาาักตาจินอยู่ในตาเขา อ, องคตกระเดินเมตตาภาวนามาเป็นลำับภาพหลับเป็นของที่ไม่ให้ผลเป็นประจานชาวบ้านชาวเมืองเขาจิตจินอุนลาว่าไม่เป็นของดีแล้วนั้นเหตุใดพระเวทขันตอนึงมตากดองขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าตาสดาทั้งหลายทั้งหลายเล่ามีให้ทานทั้งหลายเล่าที่เกินน่าว่าพระองค์เจ้าได้ดําเนินมาอย่างใด การเคลื่อนหมาท่านนี้เพียอเพื่อเป็นคติตัวอย่างหรือเป็นคติสอนใจให้เราดําเนินตามร่องรอยของพระองค์เจ้าที่เป็นผู้ี้เกิดปรากฏว่าเป็นครูของเทวดาทั้งหลายให้ได้เห็นว่าเป็นคติตัวอย่างที่เราจะเดินตามร่วงรอยของพระพุทธเจ้าตามคติกําำลังตามความสามารถของเราแต่ละขั้นมาขั้นที่จะทิ้งกับทำได้มีลัลลังพระเวสทันดรเป็นอย่างนี้การเีลื่อนสอนนั้น ไม่ได้สอนทีลไทยให้เราท่านทั้งหลายทราบว่าเรานี่คือลูกพระเวทสัมณานุลูกพระพุทธุกเจ้าพุทธโบยตัดก็หมายถึงลูกของนักปราตนั่นเองท่านทั้งหลายให้ทางก็ชื่อว่าเดินตามร่องรอยของพระพระเวทสัมนานุของพระพุทธุกเจ้าการรักษาศีจะเป็นศีลประเภทใดก็ตามก็ชื่อว่าเดินตามร่องรอยของพระพุทธกเจ้า การเจริญเมตตาธรรมนาพุทโธธรรมโอสังโฆในบทธรรมใดๆก็ตามเพื่อระทําใจทั้งเราให้มีความสงบเยือกเย็น็นปรากฏผลขึ้นมาตามทัศน์กำลังควางสามารถทั้งเราที่จะทุนตะทันได้ก็เชื่อเราดำเนินตามเลยหรือตามพระบาทขององค์สมเด็จพระปูมีพระพาเจ้าทั้งเราอย่างเห็นว่าพระเวทบรรนั้นที่ท่านแสดงไว้แสดงเพื่อไทยสอนเพื่อไทยสอนเพื่อเราทั้งหลายเพื่อดาเนินตามพระองค์เจ้านั่นเอง เมื่อหลักกรรมไม่ขึ้นอยู่กับใครเพือไม่ขึ้นอยู่กับความแรงที่เขาขัดขวางเขาไม่ยินดีแทนที่บุญธรรมที่พระองค์เจ้าได้ทรงทำเป็นมา ม, มีพละมารมีเป็นต้นจะควรเสียไปเสียเพราะอํนนานาจแห่งความขัดขวางชาวบ้านชาวเมืองกรรหาขึ้นกับชาวบ้านทําเมืองไม่ขึ้นอยู่กับความธรรมของพระองค์เจ้าเมื่อพระองค์เจ้าให้ทานแล้วผลก็ปรากฏขึ้นมาเป็นสมบัติของพระองค์เจ้าทุกอย่างเพราะอํนนานาจแห่งบุญกุศลที่ทำผูก ต้องตามหลักทำทำตามปริทำธรรดาของนากบากเนี่ผลในสิงโตดีผลในภ า, าวนาก็ดีเมื่อพืะอความลงแล้วผลงานคุณงามความดีทั้งหลายที่พระองค์เจ้าได้สรงสร้างไว้ตั้งแต่พบใดชาติใดมากขาได้มาส น, นับสนุนให้พระองค์เจ้าเป็นศาสดาบอื่นของโลกซึ่งไม่มีใครจะมาแนะนำสั่งสอนพระองค์เจ้าให้เป็นศาสดาได้เลย เพราะอํนนานาจอังวิยาที่สมคานที่โกลงเจ้าได้ข อ, อนางสร้างสุนไว้ในเพื่ององเองได้สรากงเป็นป่าประดับของโลกซึ่งเพราะอานาจสั ง, ออนนาางขงารสิ้นถวนาอันนี้มีให้เราท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ชูเป็นคติตัวอยา่างเป็นหลักเป็นฐา น, นาในภายในจุดใจใทั้งเราตามธรรมนาทั้งใจลายย่อมทุทลงใจทางต่ําเสมอเช่นเดียวกันกับระวางครึหรือวางมาอันในประตามเป็นควอยู่ ในที่สูงย่างตื้นลงมาสู่ที่ต่ำเหมือนกันก็ว่าน้ํำจะไหลลงสู่ที่ต่ําเสมอถ้าถ้าเราจะเอาคนทั่วหรือคนตํามท่าเรือตามมาเป็นคติตัวอย่างแล้วใจทั้งเราจะไหลลงสู่ที่ทั่วได้อย่างง่ายได้มีก็พระเหตุพระองค์เจ้าได้เห็นเหตุเห็นผลเช่นนั้นจึงได้แนะนำตั้งสอนตัวจากไว้เพื่อให้เราทั้งหลายได้ถือพระองค์เจ้าเป็นคติตัวอย่างแม้พระองค์เจ้าไปนิพพานแล้วก็ตามก็ยังไม่ ทรงวางไว้ขึ้นเรียงราให้เป็นหลักฐานหรือให้เป็นสักขีพยานให้เป็นโทนะที่จริงของเราทั้งหลายว่าพุทธังทำมังสังังแท้มขัดถามนี้แต่ให้เราได้ถึงจริงเพราะถึงจริงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นโทนะคำว่าเป็นโทนะก็คือความซึ่งเป็นพึ่งตายตามพระองค์้านั่นเองพระองค์เจ้าดําเนินอย่างใดก็ดําเนินตามพระบุตรกลังความสามารถของเราที่จะทุ่มทานมาตามพระพุทธเจ้าตามธรรมที่พระองค์เจ้าแนะนำสั่งสอนไว้ ตามประสงค์ชาวโที่ท่านได้ประกาศหรืท่านดำเนินไปอย่างไรมีอธิบายว่าถือตระพุทธเจ้าจะทำประสงค์ไว้เป็นเค่องมัดของใจเราพุทโธธรรมโมสังโฆไม่ใช่เป็นคำที่คือที่ล้าสมัยเป็นคำมาปัจจุบันคที่าพุทโธเราจะเห็นว่าอยู่ในอดีตที่เลื่องมาแล้วกี่กับจิกันพุทโธที่พระพุทธเจ้าจะประาบจับจิกาตตาของโลกได้ะองค์ก็เอง ธโมก็คือธรรมชาติที่บริ ส, สุทธิ์สงสัยเกิดขึ้นจากใจของพระพุทธเจ้าที่หมดที่เหลืแล้วนั่นเองธรรมสังโฆก็คือสงสารวัคที่รู้ตามเห็นตามพระองค์เจ้าในอัตถธรรมที่ยึดถือคือสัญสีธรรมอันหน้าอาบและตรงไว้ขึ้นว่าคําสั่งสอนของพระองค์เจ้านั่นเองเนี่ยเป็นเไปนั้นคำที่ว่าพุทโธธรรมโมสังโฆจึงควรจะปรากฏขึ้นในเราทุกขั้นในเมื่อประพฤตปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์เจ้าทรงสั่งสอนเมืแล้วอย่างไร นี่เป็นหลักฐานสำคัญที่จะรับรองสูงของเราด้วยข้อปฏิบัติเรามีอันไใดเราก็ให้ทานตามกำลังทั้งหราที่มีผลทานทั้งหลายทั้ท ง, ทงเพีงที่เราทานลงแตนั้นเราอย่าสังขารมาทานเพื่อใครถ้าเราสังขารมาทานเพื่อผู้อื่นหรือทำเพื่อผู้อืนนะ่นแล้วเพราะชื่อเวลาถือศาสนาจิตหลักของภาศาสนาสอนว่าทําดีต้องในดีทําเชื่อทําำในชั่วเฉพาะอย่างนี่อย่างที่เราสร้างวัดอรุณนงังสีคุณมานี การด้วยคณะตัาทั้งทางใต้ทางไตมาราวมเป็นกลุ่มเป็นกล้อนขึ้นด้วยอานาจแห่งกําลังหลายท่านหลายคนรวมกันข้าก็มีกาลังมากสามารถสร้างวัดสร้างวาบวดุดี่หารสาราลงทํากุฏิพระหน้าหลายหลังนี้เกิดขึ้นมาเพราะเหตุนใดก็เกิดขึ้นมาเพราะอำ น, นาจแห่งการทำดีของตกพันทั้งหลายถ้ า, า, า, าใใออว่าเราจะทั้งพันไปรกัอีกว่าการทำนี้เราทําเพื่อวัด วัดไม่ได้ไปสวรรค์วัดนี้ไม่ได้ไปนิพพานตาลานี้ก็ไม่ปรากฏถ้าจะต้องไปสวรรค์ไปนิพพานพุทธิหลังใดๆก็ตามปวดก็ตามพื้นดินของวัดอริุ์นังสีนี้ก็ตามเรือวัดหมดทั้งพื้นดินที่มีอยู่ในวัดนี้เป็นเขตของวัดนี้ไม่มีชิ้นใดที่จะไปสวรรค์นิพพานนี่ถ้าเล่าว่าทาเพื่อวัดวัดต้องไปสวรรค์ทันตาลเพื่อวัดตาลหรือวัดก็ต้องไปสวรรค์ไปนิพพาน ไม่ตายจริงไม่ตายเน่าเพราะนี้เป็นสิ่งที่จ่อสร้างเป็นตัวอุดหนุนเท่านั้นแต่ตัวผลคบุญซึ่งอุดขึ่งกลางจะทําวัดหรือสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างอาหารสร้างศาลาลงทำนั้นเป็นผลบุญทั้งหลายจะเขาจะมาใกล้ๆให้ข่านทั้งหลายได้ทราบว่าเหมือนอย่างเรามีเนื้อนาอยู่จะกี่แรงก็ตามเราทําลงไปมานานั้นแม้ให้ของนายจะมีสุด เดี๋ยวงดามขึ้นมาเท่าไหร่ก็คือข้าวทั้งเราเองเมื่อเวลาเราทําเกิดลงไปแล้วตกดอกตกลวงขึ้นมาก็เป็นข้าวของเราเราเอามาไว้ในสุมนาไห้หรือว่าในยื้ไหนถางก็เป็นข้าวของเราเราหุงในหม้อก็เป็นหม้อทั้งเราเป็นข้าวทั้งเราปัก็นมาใส่ถ้วยใส่จานก็เป็นถ้วยจานทั้งเราเมื่อรับทานเข้ามาก็กลอเเป็นผู้รับทาน มีความอร่อยมีความอิ่มหนำตาราทั้รสชาติทั้งข้าวที่เราทําขึ้นมาก็เป็นรสชาตทั้งเราหล่อเลี้ยงร่างกายทั้งเราให้มีความสะดวกกบายสบายจนถึงเรามีอายุเจนกระทั่งถึงอายุไขก็เพราะอํานาจทางข้าวที่เรารับทานลงไปนั้นที่ทํำลงไปเพื่อเราทั้งนั้นไม่เสคยทำลงไปเพื่ออะไรเพื่อนาเพื่ใดๆ ทำลงไปที่เรามีพระศาสนานี้เึงว่าคุณนักเกิดตา้งโลกตะกัพระศาสนานี้เป็นเื่อนาบุณของโลกของสงส์ฐานสารหรับที่เราจะว่างซื่ลงในพระศาสนานแล้วผลบุญเป็นทั้งเราดังนั้นคําที่ว่าวัดนี้เป็นคนคุ ณ, ค ณ, คณกเกิดไม่ใช่เพื่พูดเกี่ยวกับใครสวรรค์นิทานถ้ า, าหลังนี้เราสร้างไว้มาสี่ปีก็จะมีความต้นรุดพุ่มนุ่มแกสลักผัดทางลงไายความนนค่า ข, าของสล า, า, าของโบสของวัดทั้งมาอาวาสที่เกิดขึ้น เพราะอำนาจแห่นการต่อการทั้งเราแต่จนบุญก่อนี่ศนที่เราต้องสร้างไว้อันเกิดขึ้นจากการสร้างวัดนี้จะเป็นสมบัติทั้งเราเราไปประถานที่ใดอำนาจแห่บุญแห่งกุศลนี้เองจะสหนับกระหนให้เราได้ไปสวรรค์นิพพานเพราะเหตุนั้นสิ่งที่ว่าเราทําวัดก็ทำเพื่อเราบุญเป็นของเราไปสวรรค์ไปนิพพาน เป็นเรื่องทข้งเรายก็ต้องไปแในวัดสมบัติพระคาถ า, า, าจะเป็นทุกข์กตามกับ ส, สุดอันใดก็ตามทึ่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งุนี้เป็นทของเราทัางนั้นจริงๆที่ว่าเราทำเพื่อเราถ้าเราทําเพื่อวัดแล้ววัดก็ต้องไปสวรรค์เราทำเพื่อพระจริงๆแล้วพระก็ต้องไปสวรรค์ไม่ต้องเดนนินจนจนนั่งมสมาธิภาวนารักษาขินอิมพาอันใดอาศัยเจ้าญาติโยงที่มาทําบุญแล้วคุณก็ได้มากคแล้วยิ่งอาตมาพูดเท่ห์ทีนี้บวชมาไม่รู้กี่พรรษา อาศัยจะ่ญาติแต่โยมทั้งนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งก็ต้องไปบินระมาตกับพวกญาติโยมอาหารนั้นพาตลอดถึงผ้าเนืองทางหลวงสะบองกีวันไปทานทุกทิ้งต้องได้มาจากญาติโยมแกทําไมจึงไปเชื่อเดือนเป็นงนั่นสมาธิภาวนารักษาทิ้งนะธรับทำเข้าแรงแรงขํางก็ไม่ได้ทิ้งพาว่ามันจะเป็นบุญนขึ้นเพํานาจ เดินเอามาให้จริงๆเนี่ยครับเพราไม่จำเป็นจะต้องรักษาถึลนักธรรมเดินจนจนนั่งสมาธิมี้โยมก็ต้องทําหน้าที่ของโยมบุญก็เป็นของโยมพระท่านทําหน้าที่ของท่านบุญก็เป็นของท่านต่างคนต่างได้มากได้น้อยแล้วไปสู่สถานที่ดีหรือไปสวรรค์นิพพานด้วยอํานาจแห่งบุญแห่งผลทั้งตนที่ทําซึ่งแต่ละท่านละตนนี่เป็นของไม่ตัดส่นจนเปทียบ เมื่อเอือกการเมือทํากันด้วยมูมากขึ้นนี้เช่นชาลาแล้วนี้มีคนมาทํามากน้อยเท่าไหร่เวลาเกิดคุณนเกิดปุดป ข, ขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้เย่งกันหรอกหรือข้อนี้จะเขาเ อ, ขอมาให้ทานทานั้งหลาตังตัวใจเหมือนอย่างเรารับทานอาหารลงในว่าตายข้งเราเนี่ยเมื่อรับทานลงไปแล้วรับทานลงไปในช่องเดียวก็ช่องทวารปากทั้งเราเท่านั้นเมื่อรับทานลงไปในท้องแ้วนั้นแล้วเราได้กําหนดกดเกณฑ์ไว้หรือไม่ว่า ส่วนนี้จะต้องไปหล่อเล้ยงอวัยวะส่วนนั้นไปแข้งเท่านั้นไปขาเท่านี้ไปบนทีรษะเท่านั้นหรือว่าไปข้างหน้าข้างหลังขั้วจะน่าทางร่างกายทั้งหล่านี้เท่านั้นเท่านั้นเราไม่จําเป็นจะต้องกำหนดกฎเกนี้บังคั้บปัญาในโอทารสมันนั่นในเมื่อเรานับทานอาหารลงไปแล้วโอทารสมันนั้นจะต้องไปหล่อเลี้ยงร่างกายตามแต่ส่วนอวัยวะนั้นๆมีส่วนใหญ่ส่วนน้อยเท่าไหร่ อาหารรสแดงอาหารท lawyer, ี boss, ่เรารับพ kind of ันตรงนั้นจะต้องลอยเลี้ยงนักให้ทั่วถึงกันหมดโดยที่เราไม่ต้องบังคับบัญชาข้อนี้ก็ฉันน้ำเหมือนกันบุญกุศลที่บรรดาคณะศรัทธาทั้งหลายทั้งทางแท้ทางใจที่ได้ก่อร่างสร้างขึ้นเพราะอาศัยหความสามกี่ไม่ถึงนั้นก็าไม่สาเร็จเพราะเป็นเรื่องประโยคใหญ่การสร้างวัดทร้างวามากไม่ใช่น้อยเมื่อเราทราบนีไปแล้ว คนกุศลมากน้อเท่าไรเขาจะต้องเป็นทั้งเราแด่ตัดแบ่งส่วนกันไปในตักโดยไม่มีใครบังทัานบันดาเพื่นเดียวกันจะประหารที่เราทระทานลงใจในมุขตะวันทั้งหลอยแล้วสามารถจะไปหล่อเยี่ยมน้าล่าตาทั้งเราให้สมบูรณ์ทั่วถึงกันไปหมดข้อนี้ก็ฉานนันเหมือนกันดังนั้นเราท่านทั้งหลายผู้นับถือพระพุทธศาสนาต้งทราบว่าเรานับถือตัวของเรา เอารักตัวของเราก็ที่ว่าเอารักาศาสนาการทำทั่วคนอื่นจะมาทําให้เราไม่ให้เราไม่ได้การทําดีก็เหมือนกันเราเป็นนาทีของเราจะทําขึ้นต่างขึ้นเวลานี้เรากาลังมีโอกาสวาสนากําลังอํานวยชีวิจิตนนจใจทั้งเราซึ่งเขาทั้งบ้านทั้งเมืองทิ่เกิดสึ่งพร้อมเหล่านั้นตายไปก็มีจํานวนมากที่ยังเหลืออยู่ก็มีจํานวนน้อยแต่เราตกใจจึงผ่า ผ่านตนอุปสรรคคือความตายนานมาได้ดำเป็นกุญงามความดีและคนอื่นเขามีความเชื่อความหลงใยในศาสนาเขามีจำนวนมากในใเราจะมีความเชื่อในศาสนาได้เวลกจากพระเจตนาลงด้วยอํานาจแห่งความเชื่อความหลงใยไม่มีความเสียดายในวัตถุพยาธทั้งคนแม้แต่น้อยนี้ก็ชื่อว่า อำนาจวาฒนาทั chat, uh, ası, whatever, rpm, ้งเราที่เราเคยมีความเชื tension, t inh, t inh. Around, inh, ่อความเลื่อมใสในศาสนามาเป็นเวลานานแล้วจึงไม่ต้องบังคับบังคาบมีกต اه เกิดขึ้นภายในใจทั้งตนเองไม่ทำคนงามทําดีเท่าไรยิ่งมีความอิ่มบิกอุ่นใจมีความยินเย้นเตือนใสภายในจิตในใจนี่ก็เพราะอํานาจวัฒนาทั้งเราที่เราเคยขอร่างจ้างว่าเลี้ยงในตาแล้ก่อน ดังนั้นเราจึงไม่ควรตำหนิชี้โทษว่าเราเป็นขึ้นอํานาจว่าศสนาน้อยมีอวาศาสนามามากพอสมควรที่จะเป็นมนุษย์ได้เราจึงไเป็นมนุษย์แม้จะเป็นมนุษย์มาแล้วก็ยังมีความเชื่อความน้สมนําเพราะศาสนาจะะแหวงหาผลงานความดีไม่มีการทอการถอยที่นิพพานเห็นสภาวะคือสถานร่างกายนี้เป็นของไม่แน่นอนเหตุใดจึงน่าเป็นของไม่แน่นอนเพราะความเป็นอยู่แห่งเรานี้เนื่องอยู่กับรมอายใจของเราเท่านั้น พถ้า ห, หมดลมหายใจแล้ว็ปนประเภทไปก็ตามต้องมีความตายด้วยกันทั้งนั้นไม่จัดว่าคนเป็นได้ถ้าหมดลมหายใจเขาเรียกว่าคนหมดราคามเร า, าเป็นผู้มีราคาอยู่ก็เรียกแต่เรามีวาสนาะที่จะทอเรื่องสวยงามความดีให้เพิ่มขึ้นขึ้นไปโดยลำหนักลำหนักนับวันที่เราจะก้าขึ้นไป้างหน้าเพราะอนนาำนาจให้งความดีอย่าง้แหลถ้าเรียกให้รักษาผู้ทำผู้ความดีนี้ไว้ จนกว่าเราจะถึงจิตหมายปลายทางคือมรรคคือมรรคผลของการเสียการใดเช่นเดียวเป็นต่อเราเดินไปจะเป็นไปในหมู่บ้านใดก็ต า, ามโดยระยะทางที่เราจะต้องเดินไปนั้นเขาขาให้เป็นระยะทางที่มีความสะดวกสมบูรณ์ด้วยอาหารการมือโลกในระยะทางก็เป็นความสะดวกสบายถึงจะไกลก็ต า, ามเมื่อเราไปได้วยความสะดวกสบายในหนทางหนทางก็มีความร่าเริง สถานที่พักที่อาศัยก็มีเป็นความสะดวกอาหารคการบริโภคก็มีอยู่สมบูรณ์แม้จะเป็นหนทางไกก็ตามก็รู้สึกว่าเราไปได้วยความสะดวกเพราะนี้ก็ฐานน้ำเหมือนกันแม้เราจะได้มาเกิดในโลกใดตรงสาร น, นี้หรือในทศใดชาติใดก็ตามแต่เพราะอํานาจของบุญกุศลที่เราได้อล่างสร้างไว้แล้วก็เป็นเครื่องสนับสนุนเราในระยะขนทางและมาเกิดในชาติใดก็เป็นชาติที่สมบูรณ์ คูนสุกเป็นฆาตเวรไม่เป็นฆาตเอาพักเป็นความสะดวกสบายขึ้นมาตรวจในมารดโลกนี้ก็ไม่จำใจน้อยหน้าจก่บุคคลใดๆเขามีพออยู่พอกินแล้วเมีขึ้นเดียขวของเขาเนื้อวายวะสังขารร่างกายทั้งหลายก็มีความสมประกอบที่ถ้าบอกเป็นตัวตนให้เราควรที่จะสนับสนุน มีกำลังพอทุกท่านเราจะเกิดขั้นสูงขึ้นไปกว่ัญก็สูงขึ้นไปโดยลํำดับลำดับนี่ก็ขึ้นอยู่กับความดีของเราที่ทไมเพื่อชื่ผลต่อเนื่องกันไปโดยลํำดับในเมื่อเราได้วลาร้าตัวของเราให้มีความแก่กล้าสามารถแล้วนั้นไม่ต้องพูดถึงตัวของเรเลยอย่างพระพุทธเจ้านั้นเกิดมาแค่ใบเพลิดเพลินก็ไม่เคยปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเคเยี่ยมมนุษย์ผานแล้วกลับมาบอกมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงอืม ในธาตทั้งหลายพระองค์เจ้าไม่เคยเห็นธรรมะนิพพานก็อยู่ที่ไหนไม่ทราบธรรมะสวรรค์สัมมาโลกก็อยู่ที่ไหนไม่ทราบพระองค์เจ้าก็ไปไม่ถูกและไปไม่เคยเจอเหมือนกันคงน่าจะพบบ้างในท่านต่ำๆลงมาพระองค์เจ้าก็ลึกไม่ได้แต่เหตุใดบนกุศลมีก็ต้องทรงไปถึงที่นั้นได้เป็นอย่างพระมีพานหรือความหมดสดจากที่อาตม า, าทั้งหลาย พระองค์เจ้าเขาไม่ตคยหมดไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นขันธ์ผ่านแต่เพราะอำนาจแห่งกุญยาพิสมภานที่พระองค์เจ้าได้ลงตักหลงไว้แล้วก็บันดนบันดาลให้พระองค์เจ้าได้ทําทุกสิ้นไปจากจิตใจเพราะอำนาจแห่งคุณงามความดีนั่นเองมีละคุณงามความดีจึงเป็นรากฐานสําคัญเป็นเครื่องมือสําคัญหาเกเราจะข้ามมหาสมุกมหานิยมพ่อเราก็ต้องข้าม ด้วยอํานาจแห่งทานแห่งศีลแห่งภาวนามีนาคีว่าเราไม่เหสียพลาและได้เกิดมาพบกับพุทธศาสนาให้พาคันดําพลิคุณงามความดีอย่าหนึ่งแก่ความยาความลําบากความทุกข์ความยากนี้เราจะว่าแต่เราเลยทั่วทั้งแผ่นดินอันนี้ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลเชื่อว่ามีขามีปากและต้องมีความหิวความกระหาย ตองแถลงหาอยู่หาคืนวันยั่งทำคืนยัง่งลงสัตว์บางประเภทเกี่ยวหากินกลางคืนไขว่างวันไม่ได้ไเสียงไครเสียงเวรเดี๋ยวก็ ต, ตายเขาฆ่านี่สัตว์บางประเภทก็หากืนกลางวันเรารู้ไปได้อย่างอิสระแค่ ด, ดีขอมากติดจากเปนหมายบ้านเมืองแล้วก็ไม่เดือดร้อนไม่มีความกดดี่บังคับหรือคมเห็นเรื่องการณ์มีความสะดวกสบายใจจัดว่าเรามีอำนาจมหาศาลนี่ ก็เป็นความสะดวกสายก็มาใจทั้งสก็ประเทศหนึ่งเราจะเห็นว่าเราญาติคนเดียวเรามีความทุกคนเดียวในโลกนี้พอลองไปถามดูที่บ้านใดบ้านไม่มีความยุ่งยากด้วยการหาอยู่หาชิงการซื้อขายซื้ขายการทำมาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานรักษาบ้านรักษาเรียนเสอ็จรักษาบ้านรักษาเรือนเสด็หาทิ่ของมาเยียวยาขากหัน เราแล้วนะทุกๆบ้านต้องมีความลาบากด้วยเหตุนี้ทั้งนั้นก็ท่องปากนี้บ้องมีเเจนขงสัยมีเป็นความจําเป็นสาหรับผาสันของเราในเมื่อมีอยู่ก็ต้องเป็นเช่นนี้ตายไปแล้วบุญกุศลก็เป็นของจําเป็นที่เราจะต้องไปต่อล่างสร้างตัวขึ้นเราเพราะอํานาจแห่งบุญกุศลเพราะอยางนั้นผาสันก็เป็นของจําเป็นจะต้องสแสวงหาสิ่งมาเยีาวายวยารักษาไว้ครุงกระทนอยู่ได้ ใจก็เป็นของจําเป็นจะต้องหาทำมาคป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจจึงจะเกิดในสฐานที่ต้องกาได้เพราะอานาจขห่งบุญนีคเปนความจาเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะคิดเชีย ว, ว่าคนอื่นเขาไม่ยากอยากยาคนเดียวอย่างนั้นก็แสดงให้เห็นว่าคนอื่นเขาไม่แก่เขาไม่เก็บแต่มาทายคนเดียวแต่เราในโลกมันไม่เป็นเช่นนั้นปาช้ามีอยู่ทั่วไปในโลกทั้งสามนี้ไม่เจ้าว่าปาช้ามนุษย์เลยปาช้าสัตว์มันยิ่งมากอยู่บ้านไหนเรือนใดมันก็มี ในเตาไฟมีอะไรบ้างมีกระดูกมีทุกสิ่งทุกประการเอามาหุงมาต้มมาขั่วมาคืนมาผัดมาอะไรเต็มอยู่ที่ต่อไปนี่ก็แสดงว่าป่าชาของตัดต่อจากนั้นแล้วก็เข้าไปดูที่ไหายปลามีอะไรบ้างมันตายอยู่ในนั้นของตั้งอยู่นั้น่ะเต็มไปหมดนี่ก็ป่าชาของตัดเต็มไปหมดทั้งตัวเรือนเรือนหนึ่งเรือนหนึ่งมันต้องมีป่าชาไม่ว่าชั้นสูงชั้นต่ำเอาใจดูด้วย อาหารการบริโปกเอามาเขามาจิตมาขีกันมีปา่าค่าอยู่ทุกแห่งทุกหนแต่เราไม่กลัวผีเนี่ยถ้าเราไปป่าท้าคนนี้เรากลัวเวลายังมีชีวิตอยู่นั้นเรากลัวแต่เราไม่กลัวท่าเ น, นี้ยเราก็กลัวแต่ป่าท่าในไายไปทั้งเรานั้นเราไม่กลัวนี่คือความคิดเห็นติด ข, ของเราเรื่องความตายมันเป็นอยู่เช่นนี้จงพยายามทําคุณงาม ท, ทําดีให้นี้นในจิตใจของเรา การอดรว้นภาวนานั้นเราอยากสำคัญมากเป็นหน้าที่ของพระเป็นหน้าที่ของนักบวชการอดรว้นภาวนาก็คือทำเพื่อให้ใจทังหลายได้มีความสงบและมีความสบายมันก็มีความเยือกเย็นถ้าใจไม่ทํายแล้วมีมากมีน้อยก็ไม่เป็นของมีราคาเช่นอย่างบุคคลที่มีทรัพย์สมบัติไม่รู้กี่ล้านกี่โน่ะ ให้เกี่ยวของของสมบัตินั้นน่ะมาเสียเจดีิุดมนุษย์ก็เป็นมาเป็นโอไปเสียที่นี่สมบัติทั้งหลายก็มีราคาเพราะเจ้าตัวนั้นซึ่งเป็นหลักฐานได้เสียเจดีไปไปแล้วสิ่งทั้งหลายก็เลยแปลเป็นโมฆะไปตามๆกันนี่สำคัญอยู่ที่ตัวของหราใจเป็นของสำคัญรองพยายามอดโยมใจของเราให้มีความสงบ ทำที่วัดใจตั้งแนั้นเป็นอย่างใดท่านพูดยังไม่เข้าใจก็ตามธรรมดาของใจแล้วย่อมมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่เสมอตลอดเวลานี่คือไม่มีความพักผ่อนหย่อนใจของเราขาดฝันของเราเวลาบกครองอาหารจัดใจก็ยังมีความสนับสนุนด้วยอาหารการบโพคด้วยการดูการกินการหลับการนอนเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเราพักผ่อนแม่งได้ แก่ใจทั้งเราไม่มีการพักผอนคือหยุดยัง้งให้ได้รับความเครียดจึงเป็นความไม่สะดวกระบายภายในใจเงื้อ ใ, ใจทั้งเราได้อบหลมให้มีความสะดวกหายใจมีความเครียดเดินมีความส่องสายภายในใจแล้ว ใ, ใจก็มีความสบายนั่งอยู่ก็สบายนอนอยู่ก็สบาย ยิงเราทําคิดเดชอาสวะให้หมดไปจากจิตใจทั้งเราเสียจริงๆรินไม่มีอันใดเหลือหลออยู่นับพายาใจแล้วนั่นแปลอยู่ที่ไหนก็เป็นเอกราชบรมมสุขมีแต่สุขหนอนนั่งก็สุขหนอนนอนก็สุขหนอเดินก็สุขหนออยู่ในโลกนี้ก็สุขเพราะใจไม่มีทุกข์เป็นเครื่องมาล่อลวงหรือผูกพันจิตใจใจไม่อยู่ในเครื่องกดดันทั้งหลายอยู่โดยอุเรลาเสีดีโดยลําพังของควารู้ที่บริสุทธิ์ปราศจาก สิ่งที่ก่อควรทั้งหลายมีเรียกาใจที่บริสุทธิ์คือใจจะบริสุทก้อนเมี่ยงมาจากการสุขผลอบรมยิงก็สุขผลอบรมได้ผู้ชายก็ทําได้ถ้าเราว่าก็ทําได้นับบวกก็ทําได้คาที่เป็นเครื่องต่งัดที่จะทําใจให้บริให้มีความสงบนั้นนับตั้งแต่คาที่ว่าสุขโททำโอหรือสังโท เมื่อตัวข า, าลงมานะขาทันตาแต่โจในบทใดก็ า, ามเมื่อได้ถูกตัวบิดกิใจใดทั้งลแล้วในธรรมบทใดถึงนำธรรมบทนั้นมาเป็นเครื่องจำตัดใจทั้งเราให้มีความรู้สึกอยู่กับธรรมบทนั้นๆเช่ น, นอย่างเราจะบริกรรมพุทโธก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับพุทโธจนกระทั่งถึงพุทโธกับใจมีความเป็นอันเดียวกันว่าพุทโธก็คือกูปรากฏอยู่ที่ใจของเรา ไปนี้ทำหน้าที่อันเดียวเมื่อไดถือจิตอันใดแม้ต้องถืออยู่กับทำอัดจิตอันนั้นเมื่อได้บริกรรมพุโทโธจิตเขอยู่กับพุโทโธถ้าเกิดจากพุทโธแล้วใจเขาเป็นไปในเมื่อต่างจึงเ็เหตุไม่มีความโงบเหนี่ยวนอดลมใจให้มีความรู้สึกพึงอดลมด้วยอำ น, นาจบริกรรมเป็นเครื่องถูกมัดจิตใจของเราให้แน่นแา้นเมื่อใจได้ถูกบุดถูกมัดด้วยอดด้วยทำแล้วจะให้อย่งเข้าถู่ความสงบ เมื่อใจของเราได้มีความสงบชั่วขณะเดียวก็าตามเราจะรู้สึกมาจาัตสนามีคุณค่าเท่าไหรขึ้นมาภายในจิตใจของเราโดยขณะนั้นนั่นเองที่นี้ยิ่งใจของเราได้มีความสงบราภาพลงไปจนเกิดความทำนิทนานํางาอยู่ที่ไหนก็อยู่ด้วยใจที่มีความสงบนั่นแหละคือว่าคนผู้ที่เห็นคุณของจัสนาหรือเห็นคุณค่าแห่งใจทั้งตัวเองยิ่งกว่าคุณค่าของสมบัติใดๆทั้งนั้นอื เมื่อใจของเราได้มีความสงบมากเข้าไหเท่าไรปัญญาความสว่างสไไวความรอบครอบในความเป็นอยู่ทั้งจัตวาทั้งฐานทั้งหลายก็ชัดซึ้นที่ปัญญาของเราจนสามารถขอบถอนที่เดชาตะหดที่ใจของเราแล้วก็ไม่มีอันใดที่จะมาเป็นข้าติดต่อใจของเราเป็นเอตันตระอรมา์ุกทั้งๆที่เรายังมีชีวิอยู่ ความทำที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระอุปาทผูเสด็จปิพัติเป็นผู้ถึงสุดปนิพัติคือดับเกียรติเดียดทั้งหลายทั้งทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่มีพระอริสงแห่งการประพฤตปฏิบัติธรรมธรรมสองของพระพุทธเจ้าสามารถคือจะเราส่งให้เราได้รับความสุขตนขั้นๆเราจะเกิดในชาติใดพบใดก็มีความสุขตนขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงหมด เื่องกังวลคือความเกิดแก่เกิดตายทั้งหลายไม่ได้เข้าแท้ถึงจิตใจของเราถ้าจ <Whew. S 2> ิตใจได้มีความรอบขอบอดถอนกิอาตรารู้เท่าถึงการหมดทั้งอดีตอนาคตกาปุจจงปัจจุบันอยู่เสมอด้วยความรู้เท่านี่คือว่าใจได้ถึงเอกันสบรมมาตรมีความสะดวกกายสมาใจเป็นเครื่องตัดสินอยู่หน้าภายในจิตใจทั้งตนว่าครบน้าทั้งเราจะมีอีกหรือไม่ก็ถ้าพัดหน้าภายในจิตใจ คว า, ารรมภรวนาทั้งใจกับอารมณ์ในเมื่อได้สัมผัสคือถูกต้องกันเข้าแล้วย่อมมีความาตื่นทชาตั้งฝ่ายดีและฝ่ายตัวฝ่ายตัวที่มากระทบกระเทือนใจก็เป็นเหตุให้เสียใจหากที่เราสั้พันธ์มาดีมากระทบกระเทือนใจก็เป็นเหตุให้เึ้่มเพ้อหว่เหรือลื่นลืนไปตามมีแสดงน้ําใจมีความตือนราบในระหว่างใจกับอารมณ์ทั้งหลายพอแสดงให้เห็นว่าใจยังมีต้นมีชาติที่จะต้องสืบต่อกันไปในกาลข้างหน้าเมื่อใจไม่มีวมความ โดยสุกจากสิที่มาสัมผัสทั้งหลายไม่มีความตือนชาติรู้เท่าตลอดเวลาโดยธรรมชาติของตนเองแห่งใจที่บริสุทธิ์นั้นใจเองก็หมดตัดถึงในใจได้ว่าสันทิสติโกเป็นธรรมชาติที่เห็นเอื่องร้อยเปอร์เซ็นตโอกรณะอีโกราสดู่กับตัวไม่ต้องไปรน้อมไปหาที่ไหน อ, นอตการิโกความไริสุทธิ์ราสดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเดินเดินนั่งนอนมีอยู่ตลอดเวลา จะมีตรรกะจะมีธรรมาติที่เราจะสามารถแนะนําสั่งสอนคนอื่นให้รู้จริงเห็นจริงตามเราที่เห็นนี่รู้อยู่นี้ได้โดยไม่มีความสงสัยปัจัด ต, ตัต้งบโดยิพพโนวินิจฉท่านผู้ทั้งหลายจะต้องรู้ขึ้นใจนี้เท่านั้นจะไปรู้ที่อื่นไม่ได้นี่คำทั้งหลายที่อธิบายมาทั้งหมดนี้เราอาจทั้งคันว่าไปมีอยู่ในพฐ า, านที่ใดในบุคลคลผู้ใด เป็นสภาพที่มีอยู่ในตัวของเราอย่างสมบูรณ์ขอให้ท่านพุษษทธศาสนิกชนผู้ฟังทั้งหลายจงกำหนดชนิดพิจารณาและตะโกนพระ น, นัยโภค น, น้อมเข้ามาเป็นเครื่องสอนจิตสอนใจของเราเราจะได้กระมาตอนใจต่อไปเราก็จะได้ประสบพบเห็นซึ่งความสุขความสเริ่นโดยในแห่งพระธรรมาเพื่อศสนาที่แสดงมานี้ คน variance, นั erman, บมาจะสมควรคือเวลาจริงขอุสิธรรมะเพศ่าชนะเพื่องเอวังเันดุลเต้าและ